คนมุนเราไปเขาบอกวาจัน์งินไปไร้เขาขอเราให้ไปหรือไปเขงโยกีนะเนี่ยโยกีสานจรนตรงคูณเศรษฐีอย mm. ่างนึงเท่เลยเราก็ไม่เคยไปอย่างบ้านเขาคนมุนเราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ไดคบเพื่อเงินคบเพื่อทำคือแบบนั้นเลยผ ใหญ่โยมวัถามใหญ่โตลกคีสถานห้าขายาใหญ่โตหน่องก็ไม่เคยถึนใจหรอกแล้ว อ, อุปถมป์ปถามันนี้ไม่เคยมี ใ, นใจน่นาจะรำมีเขา่าไปมีแต่คนแก่ๆอันนี้ห้าสิบหกสิบผู้หญิงที่ไปนะที่ชายมีจะ่เคนขับรถคนเดียว คนนั้ผู้ชายมีสองคนอดโฟงนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงมีแต่แบบนนนะอย่างน้อยอยห้าสิบขึ้นไปอาจารย์นี่หัง่พอ้าอาจารย์ถึงมันตังสามทุมกว่าแล้วตางเทบกันมก็มืดรู้ใจีเ็ไปพักกันนั่นเลยวัดนทายเขาหุน พระเจ้าเขาจัหามาให้ฉันตั้งแต่เชาา้ามาฉันถามเราหาวาถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารแล้วไรก็แล้วอเอาไปใครจะใครบ้างอาจะขึ้นเขาวนันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายไปกับพวกนี้เราตายแล้วห้าชั่วโมงไม่ถึงเขาย้อนถามเราแล้ ว, ลวท่านละ่ะ ขึ้นไม่หรอโอ้ยงดูเอกการก่อนนะว่าการเพิ่ขึ้นลขึ้นขึ้นก็ไมขึ้นหว่างนั้นเจ้าเราพาเราพาอะไรเราเจียวดูวัดก่อนมรนไม่เห็นวัดเข้ามาดึกประมาขนี้ออกทางะพายางเตรียมแล้วนะนะของบาิอะไรเขาไว้หนึว่าแล้วโดยลงมันลงไปมันขาเห็นเ้าก็บมือสำรับทางเขาจะไปจุกอะไรมองเลยลงลงลงลงลงขึ้นเลย พอไปถึงเตรียเขาจะขึ้นมีพุทติพระอยู่นั่นหนหนึ่งก็ไปสั่งพระไว้ถามว่าจะธโยมมาถามว่ามีพระขึ้นไปได้วยั ง, งบอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่า ง, งั้นไม่ไปคนเดียวหนึ่งชั่วโมงแต่งมถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชัว่วโมงยี่ห้านาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมงสามสิบนาทีพวกทหารคือทหารอีก ประชาชนมันตั้งสองช่ ง, งนอสามชงนแล้วไปช่วงหนึ่งเดียวคุยกับเาพราะเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่เป็นดูอะไรึ้นพลานจินไม่ออกจากตัวึ้นไปเรื่อยไม่เร็วไม่ช้าหางไม่เคยหยุดที่ไหนฝืนไปเรื่อยๆไเห็นเมนนื่อไมเห็นเบื่อเลยไปดนาฬนกาแปดโมง ตอนไปคนที่รักษารอยพ่อหวดอยู่ที่ไหนเขาอยู่มาตอนนับนขับอยู่มานอนด้านหน้าตาเขาจ้องร อ, นน อ, งรรองเรป็นปกเปนผิดปกตินเราดูเขาเขาม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนมรารยาทการดูต่างกันดูแต่เราเรามองแต่รู้เขาดู เราว่าเป็นคนเป็นดังในโลกก็แสดงว่า ม, มีพิรุธต่อกันแล้วไม่สนใจถามจาจมากับคนมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกต้องมีใรมากด้วยมีอยู่ลำล่างแล้มาทีหลงังคุยลไม่างเลยนะมองดูเรามองยัง ไ, ไนะงทำไมตันะวเอง นันล่ะนะจขอหนี้หน่อยเราต้จะต้องช่งพอเส็จแล้วขอเกเนหนึ่งเออเราก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่หมายถึงอะไรบางคนที่ไม่ลืมที่มันทัดเจนก็คือว่าโยกคล่องคลังก็คือ อาจานี้ไม่มีมีเท่าไรหมดระวังนะไม่มีการสั่งสูบถ้าเป็นน้ำในคลองเ็้า ม, มีแอ่งก็ดน้ำไหลทะเลเปิ ด, เ ป, ดเปิดหมดยังไม่มีแต่ไม่จุดว่านี่นะแต่ไม่มีแต่ไม่จุดนี่อันหนึ่งแบบอะไรก็อย่างไรอู้อะไ ร, า ร, ะไ ร, ะไรปาก เป็นพุท ธ, ธะพุท ธ, ธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดธะไรคนั้นผมพูดเฉพาะนั้นเท่านั้นส่วนมากนะตามนี้ยคือปากพุท ธ, ธะไอเพราะว่าตามหลังเขเนี่ยคือว่าทะคาพูดสำคัญมากจริงจังว่าก็คน่ว่าพระาจารย์ไม่พระธรรมดาอันนี้ผมผมก็แบบพรอธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะ นี่จะเรื่องเขาพูดเองนะผมเฉยเลยไใจทำจำไดนเนี่ยสามประโยคประโยคสำคัญกคือว่ามีอะไรเป็นหมดะำคันไ้ประชุมนานนี่ผมก่อนเราล่นสบายายดูโดยลาพังอยู่ของเราม คืนก็นั่งภาวนามาธิอ า, ารมณ์ลมไปเกี่ยวกที่ให้เราไปทามภาษภาษาทำร้อนนล้วก็กี้ ม, มีไ ป, กไปไกเกี่ยวได้เราไปสบายมันผู้หยียคนมาเยอะควรจะไปไหนก็จะหนักเยอะไปสบายคืนตามวัน นไม่ได้เอาความสะดวกสายจากผู้ใรไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นนี่จะเจ็บไข้ไมป่วยก็ไม่เคยสนใจพิจารณาใคว่าจะมาช่วยมาช่วยใน่อีกลัวตายนี่มันไม่มีไม่มีก็บอกว่าไม่มีตัะคัณข้าในแต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้จะป่วยกลัวมากทุกวันมันเกลียดมันคื มมหลังมือเหลังมืนันไม่เคยไปสนใจเรต้องเป็นนรงตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากๆอย่าไงไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหมดพิจารณาอะไรทีมันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำ ว, ว่าตายหรตายมันจะหนีจากจุดนั้นได้เลความสหลายจากกันนี้นนก็ตายก็มเห็น กลัวที่อะไรเป็นเครื่ อ, องของควรจิตใจไม่งวนจิตทุกข์แ ล, แล้วก็กล้าเพราะผล้องการปฏิบัติท่นเ อ, อ, องคือเป็นในหลักธรรมชาติทั้งจิตโดยที่เราไม่ต้องฝึกสันเราไม่กลัวกล้าก็ไม่กล้าเท่ากันไม่มีคําว่ากล้าไม่มีคําว่ากลัวในความไม่ถูกมีอยู่โดยหลธรรมชาติธรรมดารู้ๆเวลาทุกคือจะเกิดขึ้นนั่ง จิตมันจะพุ๊บปับเข้าทางที่เข้าทางมาจะให้มันส่งไปร้องเรียนหไม่ไปมันจะส่กหาอะไรส่งไปหาความเฉลื่อยก็อะไรมาช่วยเรื่องเ็จเรื่องตายมื่อทุกข์เคยทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันมันจะตายมันกตายที่ี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้ มาช่วยกันได้แล้วโลก้งโลกนี้ก็ต้องมีปา่าช้ามันเป็นความเน่ใจี่เพิ่อย่างการพิจารณาแล้วกันบะีบเป็นมากมากแบบที่พิจารณาแบแก้ที่เหลืออาชว์ชนไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกนแต่ว่าขณะพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวลานานะเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับ หัวใจซึ่งเป็นอะไรยออ่อนนี่เหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพี้ยงไปเพี้ยงไปอ่อนไปไปกัากำลังขัาหมอกมันก็หมดไปหมดไปก็รเป็นลมเมื่อนั้นอ่อนแต่แล้วอันนี้มันมีกําลังอะไรเมือนต้นไม้ทันตุแต่ความรู้สึกยังเหมือเป็นตัวอย่งว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าหรือไรนั้มันก็ไม่คิดไปจะยกแล้วมันอ่อนลงไม่หยาง ไม่อยากกระดุกกระดิกแต่จิตมันทำมะารมันทำเยะทำมากไม่บอกเทงที่นี้พวกระเบทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้นันมันจนริง่จเล่นไม่ทำมันเป็นปบวิธีรักษาการนั่นแหละไม่ไหวทรไม่ไวเกิดสับถูก พวกเวราาเกิดขึ้นมามากนี่ปิดจะไม่แ ย, ยบออกอย่นั้นหรือเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปปวยแม้แต่บทอัดบททำคติทำข้อใดที่จะเตือนมาให้พิจารณานั้นนี่ก็ยคนเลยบอกว่ากไปยาไปเตือนนะน่ะแล้วไม่ประมาททำแต่ที่กําหนดที่พิจารณาที่ทํางานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่า ง, งเป็นตัวยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวล า, านั้นด้วยการทำอื่นเขาจะแซกไปยุ่งทำไม ทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุยอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะนั่งกิงป้องการความสนบกงอยาบที่สุดไมใ่ใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทําหน้าที่ของตัวตามความจําเป็นในขณะนั้นมเมือ่อหมดความจําเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาถําว่าหมดความจําเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหา ย, ยมันก็หมดปัญหามหมดความจําเป็น เราอยากให้ผมเพื่อนได้รู้ได้เห็นทำของพระพุทธเจ้าสิบประกาศมาเป็นเวลานานตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาที่พุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอวาศัยมารเมื่อสรุปความแล้วคือมากก่า สมรติสมาสติสมกระโปรงเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้่พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่หนึ่งอื่นสมาสัมมาธิสมอกันสม า, ส, ม า, ส, มาสติตั้งสติ ในการงานคือพวบุมงานให้มีความสื่อต่อ ก, กันด้วยความรู้สมมาสมาธิก็คือความสงบเย็งไม่ ส, ส่มเป็นไปตามฐานถ้าเหลือายออกไปกาหน่อรุ่นรุ่นในเวลาที่ยางไม่สำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัุวันนี้จะมีประมาณก็ห้าปอเซ็น ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเวลาไม่ไม่ใช่วิสัยที่นั้นเราก็ไม่สนใจหมด่ฟังให้สงบลงไปมีความรู้ความเห็นกิตเจ้าของอยู่จิตจะเป็นเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆเนี้ยมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจาความตึงความแต่งทั้งหมดเสียแต่ความรู้เรองรู้วันเราก็ทราบได้ชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟัง อยากคาดอยาหมายเวลากระทําท้างไว้เป็นคติเวลาเป็นขึ้นมามาถึวิ่งรับกันเองกับทําที่ทสรางแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ทุจริตารมณ์ไม่ให้เป็นสัญญาในขณงที่ทําให้มันขาดจากการือความหมายว่าขาดจากการขาดจากการแต่การจะทําเพื่อให้ขาดจากการมันไมนมันก็ไม่ขาดจากการระวัง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 เรายกนิ้วเลยเดียวเรื่องของธรรมสติกับปัญญายิ่งเรศจะหมอบลงได้เพราะอำนาจของสติยิ่งเรศจะขาดตรงไปหน้าแต่และชิ้นอันนี้ก็พราะอำนาจของสติและปัญญานี่นี้ได้เคยดําเนินมาอย่างนี้นี่ยกปืนเผือกพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพาน ต ล, ลาดมรผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนําอรหรัตละหันโซดาสิทธาคารนาคาอารหันต์ออกซึ่งออกจากาา เ, เพื่อศาสนาเป็นขึ้นถึกให้เป็นมาผลนิพพานเป็นมาประกาศทำสอนโลกเป็นเวลานา น, านเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพา น, นด้วยมรรค ที่ิมาที่ปัญญานี่จะมีตลาดตลาดของโลกเขาเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกินไปหมดเต็มกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำต่างซื้กขาย จะเอาเง webs, ินใชตู้รถไฟไปซื้อก็มันเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีส hmm. ิ birthday, really ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะไปชนคนจะต้องการอะไรได้ทังนนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาทึ่ออกมาจากพระพุทธเจ้าองคมโดยสุดเต็มที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพรุทธศาสนาของโภมีอย่างเหรอ นตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนานี่จะคึกมรรผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาถู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดําเนินเพื่อมรรคผลนิพพานเมื่มรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอํานาจแหงมรก จะไปปรากฏที่ไห น, นเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ยังไงใช้มามากแล้วทาภาพเพียรวิการงา น, นอะไรที่เราใช้กำลังมัชาทำงานนั่นมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้ เพื่อความเปลี่ยนทั้งหลกยทุลงไปด้วยกําลังร่างกายกําลังสติกําลังปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้เต็มไม่ดเต็มหน่วยทําไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นเลยท่ากลางแห่งตลาดคือภูมิศาสนาด้วยอํานาจแห่งมรรคหลักมันเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยว่าไม่ขาดสินค้า สมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดทางพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลพารคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกมูมในพุทธศาสนาทั้ทงหมดโดยอาศัยมัชิมาปฏิปทาเป็นเครื่องขึ้นขึ้นอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทาให้มัชชิมา ปฏิบัติฐานทัมูบุญมีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติ ร, รู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาินญญพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติทรมมาสติคือรู้อยู่ใ น, นวงแห่งสัจธรรมนันว่าสติ รรู้ในที่สี่สถานปรกกอบเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นทบบนธรบมเหล่านี้ยาประค่าการประานที่อนุนที่นีทย่ร่ำเวลาให้เสียวเวลาประสาไม่เกิดประโยชน์อันไดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติและเสียวเวลาไม่คุ้งค่ากันกันกบเราตั้งเจตนามา พ, พื่อปฏิบัติเพื่อมะผลพ่นพาน ด้วยนิยานณิกรรมของพระพุทธเจ้าเจ้าความด้นดามาทำลายความเปลี่ยนทุกส่วมาทำลายกำลังใจความดุนความดาวความคาดความหมายว่ า, า, เ, าเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้ ง, ลงเล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพานเห็นจะไม่มีนานมันหลอกกันมาเลอนะเห็นจะมีเฉพาะส ม, ยมัยโน้นเพราะส ม, ยมัยโน้น คนเบาบางเท่าไหร่ไม่คนกิเลสหนามันเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกกิเลสมาเกิดมีหรือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวาดละต่างคนต่างหักกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดที่มาเป็นรูปเป็นกายเป็นยิ้เป็นสาเป็เป็นคนไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งปฎิกาลบรรดาสาวทั้งหลายนะแต่คที่เข้าลงไป ท่านต้องมีเพียหรือว่าหาเพียรมาเกิดมืวยกันธรรมะเยรนมันเป็นืมืดมิดปิดตาทาไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เะแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะเพียรเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดงใจต้งมืดสวัสดีก่ะท่ะ รูปคำคาเพราะว่าความไม่แน่นอนวี่เตรมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านทำรัตนได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมกผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมะผลนิพพานขึ้นมาในครังพุทธกาลหน้ามากากรพรุ่วนันนี้ตลาดนี้มี ต, ตลาดเปล่าหรือไม่มีสินค้าคือมะผลนิพพาเนเนอรพ่อยหางไร การมมี น, นี่ไม่มีเพราะศูนย์พันเปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติตำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนได้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติยอหย่อนชอบจะสุกเอาเผาสิ่งสมัยนึงเรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ าทางลับใดจะเสนอเหมือนมักคิมาไม่มีแล้วนี่คือทางลับทางตรงแน่ตน่อพระปุญญาภาเลพิจารณาพิจารณาให้ช่ำช่องอยาใจสำคัญมันหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งที่สองแล้วแล้วพิจารณาจนเข้าใจ มันมเรื่องอะไรหลายครั้งแล้วผมมันเข้าใจเอมันจบพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็จะ ป, ปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทางหลวงพระเจ้าจ ส, สอนอย่างนัไรตัวของเราเนี่ยก็เป็นตลาดเมนนื่อคนผ่านอยู่แล้วเุาขึ้นมาเป็สินค้ามันล่ค่า มักผลทั้งสี่โล ก, กุตร ะ, ะนั้นนอกแล้วกไอยากใจมีที่ไหนไม่นอกปักกวาดเช็ดถูชำระสามงช้าล้างพายจิตใจองตนด้วยความเพียรมีสต<ม>ิปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องยีตกวิจารกับคามสถานที่หรือบุคคลใด ๆ, ๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้พิริศนาสัาว่า แต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตังต่อหรับความเพียรหมุนตี้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอนถอนกิเลสออกได้โดยลำดับลำับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนะครับเนเงินเง<อ>นีไม่สงสัย หรื่องมรรคผลที่ผ่านไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับเสวขาธรรมนี่ร้อยเป็ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่าไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดจะมีอา น, นาจมาสนามากดขี่บังคับกีดกันนะให้ผู้บงเป็นโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านอนอกจากทุก์กับสมุทยัย ที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นเท่านั้นเมื่อมรักยังไม่มีกำลังคำว่มามรักล้วก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี่นแหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่เราคุมลัางภายในปตจจัยนี้ออกให้เตียนโล่ด้วยอำนาจของสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียร อ, อันนี้เป็นผู้บุกเบิก ทุกสมุทัยเป็นเครื่องปิดบงังว่าผมนี้ผ่านสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบูเบิกนิโรธคือผลแัง่งความดับทุกไปโดยลําดับเพราะอํานาจของมรรคที่ทํางานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเปงความดับทุกขึ้นมาเป็นขั้นขันะนไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทํางานนะเช่นอย่างทุกจะตั้งหน้าทํางานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผิด ทุกต้องสแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้ที่โลดสแสดงตัวออกมาในทางหลักทุกนี่มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าเป็เชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการหุ้นสถานที่หุ้นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราทําใจให้อ่อนแอบท้อถอยทั้งหมดความเปลี่ยน เมื่อหมดความเพียนะรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะทิสุกธิ์หาประโยชน์อะไรไม่ได้เรานั้นไปบวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเ้าบวชมาเพื่อเพิ่มทูนคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีทําเป็นเครื่องเป็นดักให้สดสว ย, ยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นรสว่างกระจา่งางแ จ, จ้งภายในจิตใจต่างหากเรานั้นแช่งมาเพื่อความสิ้นค่า นั้นจงพากันตั้งตึ้งไปปรพฤตปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยใส่ลงไปอย่างนจะเป็นการช้าต่อมักผลนิพพานที่เราจะทุนได้เป็นขิงตามเกรตากนตาของต เ, เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อตรงนี้ ส่วนขาตัดทมแต่ไม่ชอบแล้วนั่ น, น, นตรงนั้นสำครญนิยา น, นี่กระทำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่เกิไม่ชอบแล้วด้วยความรอบธรรมของเราทำก็เป็นเครื่องนําบ อ, อกนิยา น, นิจักนําสิ่งสกรปกสะปรกสมองสิ่งที่เป็นค่าสึกต่อจิตใจออกมาได้เดิมจนกระทั่งถึงที่สุดมืดมนที่ผ่านอกเหนือไปจากใจรวงนี้กับความยังกลมกลืนนั่นเลยมืดเข้ม ย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียเวลาอย่างโลกโลกองศามีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักสุญาาาสื์งานนักเรีนในธรรมจักรปุโรสิตหาไงพยายาม โกซาสิเกเวมัชิมาปจิปปล า, าปะชากะเจนอภิสัมบุต ธ, ธานี่แหละที่สุดทั้งหลายอุดทางอันเองมัชิมาเป็นทางสายกลางอย่างนี้ต่อทางตรัสรู้สักภูเกลญายาเป็นไปเพื่อจักสิยาญานก็สักกุเกลเวนไปเพื่อความเห็นแจ้ง คือจา ก, กสุขภัยงานาการีจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจะขึนไปญาณการีท่านไี้กล่าวว่าอินปูทายะอบานาะสร้างมาตะเป็นไปเพื่อวาม ตัดทะลเป็นไปเพื่อผลิตภัณฑ์นี่แนะอายังโคส้ซ่านทาไมบอกว่าอายังคนนี่นะอายังคนนั้นนะอืจะพาให้เป็นมะขคนผู้ผ่านอายังการนู้นอายังสถานที่นี่ไม่มีนะอือายังโค้ซ่าพิเคยมัชชิมานั่นเมื่อก่อนทุกทั้งหลายมัชชิมาปฏิปบัติ ทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นนี่แหละี่จะเป็นไปสู่ความที่แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายตอนนี้เําเนินที่ในเาหนักแน่นในความเปลี่ยนลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยกาารการวาดภาพ ด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังยังไม่ทํางานต้องอาศัยสัญญาเป็นเึ่งวาดภาพเข้ามาก่อนแล้วปัญญาค่อยแต่จมไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญากําลังพอทสงตัวได้หรือมีพลังกำลังแกกค่าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอเรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกํสงดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญา พุ่งพุ่งพุ่งทะลุทะลุทะ ล, ทะลุทะลุไปเลยไม่ต้องประพาดตระหมันหมายผิดตัางกับขั้นเดิมแหละซึ่งเป็นขั้นลูล้รู้ผูคลางเพรว่าสมาธิแล้วว่าปัญญามันมีกา้นรู้ผู้คลางเพราะความไม่ทชำนาญความไม่เคยยู้ไปเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิํานานทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลําดับโดยลําพังตัวเอง ทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่ง น, นั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองนะสันทิปติโกเราเป็นผู้เห็นเองทําไมเราสมมตเชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเทศแห่งธรรมนั้นๆันนะสันทิปติโกอากาลิกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับปัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เมื่องเวลาอะไรทั้งหมด มีอยู่เพียงกิเลส ก, กับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกําลังของความเจ็บของเราปัญหามีเท่าไหร่พากันเน้นหนักจิตใจไว้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเวลาอย่างคนต้องมีกิเลสอุดธรรมไปนุ่งไปนี้สมัยนุ่งเหมือนมักเหมืนมนมนิพพานอะไรว่าอะไรตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงคชามนณ พอจะไปหลงตามลมปากของผวบ้านี่หมดตามหมดแต่เรายึดพุทธทางธรรมสังขารกันแล้วกระามนี้เป็นชีวิตจิตใจทั้งการดาเนินอของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครที่ยิ่งกว่าผูท้ทำสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติที่เลิ่เป็นธรรมชาติที่ถูกต้องแน่นอนแล้วสําหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่มีผีดหวังเนงงนนตี้่แหละตลาด มัรผลนี้ผ่านอยู่ตรงนี้นะฐานที่พิจารณานี่เหมือ น, นตลาดเราากฏผลขึ้นมาเป็นมากเป็นผลหน่อย น, นั่นสินค้าอันล้ำค่ารากฏขึ้นมา เ, เรื่อยๆจนมาตั่งถึงอาราหัตผลนี่คือสินค้าชั้นเอกไนอกเหนือประจกักษ์จิตนี้แหละมีอยู่ตรงนี้ เราสินค้าเขาอาตลาดของพระพุทธพุทธแห่งของพระพุทธศาสนากามีเครื่องยืนยันท่าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกโดทั่วไ ป, ไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโทวกันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจกักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีงินจะซื้อให้จนกะทั่งไม่มีเงินเหลือตลาดตามลาดเพราะสินค้ามันมาก ธรรมะของโมพุตติจารุกับพุทธศาสนาเราียากก็เหมือนกันอาพาดลงไปความเพียรนี่แล้วเคยเพียรจะยืนมานานแล้วขึ้นมาเกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยก็เคยเพียมพรมาแล้วพยายามายอะไรก็พยายามสติปรรัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้หลายนานก็ใช้มามากแล้วที่เราจะ่านจะนํามาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสกันเป็นฆาตศึกสําคัญในภายในจิตใจแต่มาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกําลังลง ทั้กำลังความคิดติปัญญากำลังการทุกด้านทุกทางร่วงตัวลงไปที่จุดนี้ไมนเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการทำ ง, งานขึ้นมาให้เราได้ชมภัในตัวเราจะได้ชมตลาดอย่า ง, งนั้นผลที่ผ่านอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติไดต้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่โลกุตาตลาด ไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพนโลกมื้อโลกให้ได้ชมในการพิจารณาธรรมของเราอย่ารักความภาคความเพียนให้มีความเข้มแข็งให้ใช้ความคิดสติปัญญาไม่ว่ากิจนอกการไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอพ่อพ่อมันขวางตาอยู่นั่นว่าไงจริงที่มันขวางนั่นแหละคือมิจฉุกใฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหัวขวัญทาไมจะไม่บอกไม่สอน มันขวางให้เห็นนี่นั่นถ้าไม่ขวางก่อนแต่ว่ามันผิมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางทำไมถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของผู้นั้นเองสอนเห็นอย่างชัดชัพากันเริ่มลงป่าเอาอะไรทํางานอะไรให้มันแน่นอนใ ห, อห้กินจานยาขัดนี่ส่ยราเลยเฮยตัวไปจนขัง้งวันตาย เป็ลักษณะจับตุดไปชั้งหมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลปละกไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้ฮดที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรพี่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่ยืนใจไม่มีนี่แต่ความหล่อเหละไม่กินไม่จังทางําม่กว่าให้เห็น ท่นให้ชื่อให้นามแบบมรรคผลนิพพานโซดาปฏิมาศสกิ์ทาคารมีมรรคอนาคามีมาารรคอรหัตตมรรคโซดาปฏิผลสกิ์ทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นมา้จากใจของเราเองโดยทางถี่นมาด้วยกันของห้พากันผลิต อาเป็นก็เป็นตายก็ตายทวารดูชาพระพุทธเจ้าจะทําสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียงที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายตามเพียงแต่คนนี้ไม่มงป่วรให้ท่านปัญญาที่บายใหยมูกเพื่อนฟัง